บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งรูปทั้งปัจจัยให้รูปดำรงอยู่และปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นซึ่งทรงสแสดงว่าประกอบด้ยวยอิชาตนาอุปาทานกรรมและอาหาร แต่ในที่นี้ได้นเน้นเฉพาะส่วนของอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องประสบอยู่ทุกขณะในชีวิตจากอาหารนี้เองจะนําไปสู่การเกิดของรูป ก, ก็ได้จะนําไปสู่การดับของรูป ก, ก็ได้ก็แล้วแต่การรู้อาหารเหล่านั้นว่าเรารู้ในฐานะอะไร ยังการรู้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปตามความเป็นจริงก็เป็นอารมณ์ของกรรมาฐานที่เรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือตั้งสติสัมปชัญญะความเพียรพิจารณาระลึกรู้ให้เห็นความปฏิกูลของอาหารการดํารงชีวิตของบุคคลก็จะไม่ตกเป็นทาตของอาหาร แต่จะเป็นนายของอาหารเหล่านั้นทั้งยังสามารถถามประโยชน์จากอาหารอีกในระดับต่างๆเป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาให้มองเห็นเรื่องความปฏิกูลความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวต้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่มีอยู่ในอาหารเหล่านั้น แม้แต่ความยึดติด็เป็นปราเป็นเนื้อเป็นมังสวิรัติไม่มังสวิรัตเป็นต้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะจะมองสักแต่ว่าอาหารเท่านั้นเองบางครั้งบางคราวบุคคลไม่สามารถกำหนดแยกได้เรือจะมีความรู้สึกว่าตนเกี่ยวข้องกับการตายของสัตว์เหล่านั้นหรือเจ้าก็ทรงสอนในรูป อุปมาเทียวเคียงให้รำลึกว่ามันเหมือนกับมันดาบิดาแล้วก็ลูกจะเดินไปบนทะเลทรายที่ไกลกันดันสเสบียงอาหารก็หมดไปในกลางทะเลทรายในที่สุดลูกชายได้ตายลงมันดาบิดาที่ไม่มีอาหารนั้นจำเป็นจะต้องบริโภคเนื้อของบุตร รวมเลยก็ร้องผมร้องไห้ไปแต่แท้จริงบุตรนั้นก็ไม่ใช่เป็นบุตรแล้วมันเป็นศัก์แต่ว่าอาหารเท่านั้นเองซึ่งแสดงเห็นว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปบางครั้งใจอาจจะระัติไปในลักษณะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่มองเฉพาะจุดที่ปรากฏว่าจุดที่ปรากฏ ที่สัมพันธ์กับการรับประทานของเรานั้นไม่เกี่ยวข้องกับการตายเป็นเรื่องคนละขณะกันการตายนั้นเป็นเรื่องอีกขณะหนึ่งแล้วคนละเหตุคนละผลกันคนที่ตายไปก็ตายไปตามธรรมดาอย่างในกรณีอุปมาก็ตายไปเพราะไม่มีอาหารรับประทานก็ตายไปแล้วร่างกายเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพของขันทั้งหลาย เพราะสิ่งเหล่านั้นก็กลายเหมือนกับน้ำมันหยดเครื่องอย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนเพื่อช่วยยานพนาหนะเหล่านั้นได้เดินไปสู่ที่หมายปลายทางได้เท่านั้นเองการบริโภคอาหารของบุคคลก็จะเป็นไปในลักษณะที่ทรงใช้คมำลีวยาปนามัตตังคือยังอัตภาพได้เป็นไปได้ทำอย่างไรชีวิตนี้จะดำรงอยู่ได้ ทำอย่างไรจึงจะกะจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นได้ร่างกายมีเรีแรงมีกำลังสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้เรียกว่าสำเร็จประโยชน์จากกิจที่เกี่ยวกับอาหารแล้วข้อนี้จะมองให้ลึกซึ้งลงไปอีกทีหนึ่งว่าบรรดาอาหารทั้งหลายในโลกแม้จะประณีตพิเศษอย่างไรก็ตาม ที่จริงแล้วมานําผลมากแก่ร่างกายเท่านั้นในแง่ของควาเป็นจริงเพราะเมื่ออาหารเมื่อผ่านลําคอลงไปแล้วมีธาตุแร่ธาตุอาหารอะไรอย่างไรร่างกายก็ขาดส่วนใดไปเขา ก, ก, ก็ดูดซับไปเฉพาะส่วนนั้นเท่านั้นส่วนนี้เขาไม่ต้องการมันกล า, า, ายเป็นกากาอาหารซึ่งจะต้องมีการขับถ่ายจนถึงมีการทานยาระบายออกไป ก็รับประทานมากเกินไปและธาตุที่เกี่ยวกับอาหารมีอยู่ในที่ได้ก็สามารถที่จะบริโภคได้แล้วก็ยังอัตภาพไปเป็นไปได้แต่ที่เกิดปัญหา น, นั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าแทนที่จะบริโภคเฉพาะอาหารที่เป็นกวลิงกระหารคืออาหารได้แก่สิ่งที่เราดื่มเรากินเราลิ้มเราชิมเข้าไปทางปากเองอย่างเดียว แต่คนเกิดไปต้องการอาหารหลายลักษณะทำให้เข้ามาในขอบข่ายของอาหารประเภทที่สองที่เรียก ว, วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณมีความรู้สึกพอใจชอบใจในชิ้นส่วนของอาหารเหล่านั้นเพรา ะ, ะนันงมีการปรุงแต่งมีการประดับประดากันด้วยประการต่างๆปรุงให้เป็นรูปสว ย, สวย ปรุงให้เป็นกลิ่นหอมอมปรุงให้เป็นรสที่อร่อยปรุงให้เป็นสัมผัสที่น่าจับน่าต้องน่ารับประทานซึ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นอาหารใจเป็นอาหารของใครเป็นอาหารของวิชาของตันหาของอุปาทานซึ่งมาอยู่ภายในใจของบุคคลถ้าก็าลองสังเกตและลึกซึ้งต่อไปยิ่งกว่านั้น เราก็เช็ค เ, เพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากตันหาอุปาทานภายในใจคนเราไม่เหมือนกันเพราะนัเวลาปรุงรูปรูปมันจึงมีความหลากหลายเช่นขนมชนิดเดียวกันก็มีสีสันต่างๆมีรูปรักษ์ต่างๆทำไมยังต้องปรุงแต่งกันในลักษณะนั้นก็เพื่อสนองตอบตันหาอุปาทานที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลมีทั้งเล็กทั้งใหญ่มีขนาดที่ไม่เหมือนกัน แม้เครื่องปรุงชนิดเดียวกันแต่รูปลักษของสิ่งเหล่านั้นแต่ย้ยายเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการปรุงรูปปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสให้ดูแล้วน่ารับประทานน่าจับน่าต้องคนนี้เลยกลายเป็นอาหารของตัดหาอาหารของอุปทานที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลตรงนี้เองที่ก่อให้เกิดปัญหาห น, น, นาประการขึ้นมา ถ้าพูดจ ะ, จะเฉพาะลำพังอาหารกายเพียงเดียวมันก็ไม่มีอะไรมาตอนนึกดูรูปแบบวิถีชีวิตของพระที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ตื่นเช้าขึ้นมาก็จับบาตรเดินไปจะบอกเดินไปเพื่อก้อนข่าเดินไปเพื่อภิกษุใกระตาถวายก็ถวายใครไม่สถาก็าไปกันได้มากบ้างได้น้อยบ้าง แต่ก็ยังอัตภาพไปเป็นไปตามอาหารอย่างที่ได้มาอย่างไรก็เป็นวิธีชีวิตที่อยู่ได้แต่สามารถจเจริญสมณธรรมความเป็นศีลสมาธิปัญญาจนกลายเป็นอุ ด, ดมไปชีวิตคือชีวิตที่สูงสุดได้แต่คนที่ยังตกเป็นทาสของอาหารหรือยังสยบติดอยู่ในรูปในสีในกลิ่นในรสใน ความน่าจับต้องกองอาหารอยู่มันก็จะทำให้ใจเกิดหมุนหมุนก็สู่กระแสที่การสร้างรูปซึ่งผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปคราวนี้ท่านสาธุชนต้องมองย้อนย้อนกลับไปอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วในวันก่อนๆเพราะสิ่งทั้งหลายที่เรา ประสบทางประสาทสัมผัสครั้งแรกนั้นจะเป็นอวิชชาสาหรับเราคือเราไม่รู้วมเป็นอะไรจากนั้นก็จะเกิดความอยากรู้เกิดสนใจอยากรู้อะไรเป็นอะไรเมื่อยังปรงใจลงไปไม่ได้ช่วงนั้นก็ยังเป็นวิจิกิจชาคือความเครือแคลงสงสัยไม่แน่ใจอยู่ประเดจุดหนึ่งก็เกิดความรู้ ถึงคุณคุณและโทษของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นคิดมาถ้ารู้คุณค่ารู้ประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดกามาตัญหาภาะวะตัหาขึ้นถ้ารู้ว่าไม่ดีมันก็เกิดเป็นวิภาตัญหาขึ้นมามันก็กลายเป็นอุปาทานคือยึดติดขึ้นภายในใจเราพอดียุคสมัยนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารต่าง เราอยู่ในแวดวงของข้อมูลข่าวสารที่มาจากสื่อต่างๆเป็นอันมากสื่อเหล่านั้นที่จริงมีการโฆษณาครั้งแรกเราก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่พอดีโดยวิธีโดยสํานวนโวหารโดยข้อความที่เลือกสรรมาแล้วมาโฆษณาแล้วก็ปลุกเร้าวความสนใจก็ขอให้เกิดเป็นตัญหา อย่างน้อยที่สุดก็อยากดูอยากชิมอยากสูดดมอยากจับต้องไปแล้วแต่ว่าจะโฆษณาอะไรแต่การโฆษณานั้นเป็นความฉลาดของผู้โฆษณาเขาจะไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเพราะอ่อนเกินไปแต่เขาจะใช้รูปทั้งห้าคือใช้ทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัส ที่บุคคลจะพึงได้หรือเกิดความอยากได้ต่อสิ่งเหนั้นเพราะจะโฆษณารถโฆษณาอาหารโฆษณาบ้านโฆษณาอะไรก็ตามให้ท่านสาธาชนสังเกตว่าจะเป็นรูปของกรรมคุณทังห้าเอาทั้งรูปเอาทั้งเสียงเอาทั้งกลิ่นเอาทั้งรสเอาทั้งสัมผัสของสิ่งเหนั้นเข้ามาเป็นเครื่องโน้มน้าวจิตใจของบุคคลให้ไวตามคล้อยตา บางทีกลัวจะไม่ได้มันก็ใส้จุดอ่อนคือความรักมันกิจกรรมเป็นนันมากเราไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของผู้ใหญ่แต่เด็กมาโฆษณาเพราะเด็กนั้นเป็นผู้ที่ร้าเดียงสามาปลุกร้าขึ้นไปในจิตใจเด็กแล้วเด็กก็เกิดความอยากได้อยาได้ก็จะรบรา้าพ่อแม่ให้ไปหาสิ่งเหล่านั้น ไม่ได้ก็ใช้วิธีการที่อาศัยความรักเป็นเหตุนั้นร้องหบร้ไห้เป็นต้นในที่สุดพ่อแม่ก็ต้องตามใจลูกก็ไปซื้อหาสิ่งเนั้นมานั่นคือโลกคือชีวิตที่อยู่ในแวดวงของอวิชาตานาวปาทานกรรมและอาหารต้องการตัดสินใจซื้อก็ดีตัดสินใจทำก็ดีแต่ตัดสินใจอะไรลงไปในเรื่องเหล่านั้น แม้แต่ตัดสินใจดูตัดสินใจความตัดสินใจสุดดมตัดสินใจริมตัดสินใจจะต้องสิ่งเดียดนั้นมันก็เป็นกรรมคือการกระทําที่เกิดขึ้นมาจากวิชาติหาอุปาทานต่อไปมต้อง น, น, นาผลมาอีกนําผลมาทางภาษาสัมผัสบานก็ออกเมื่อ น, นําผลมาแล้วมันก็หมุนก็สู่วงจรของกิเลสอันธิกาแล้วเช่นสมมุติว่าดู มีการโน้มน้าวจิตใจให้เพลิดเพลินชื่นชมในรูปที่สวยงามแรกแรกเราเกิดอภิชาดังกล่าวต่อมาพอถูกโน้มน้าวจิตใจมากขึ้มาเกิดเป็นตานหาจนเปลือกเสือกสายบังขับพลักสายเราให้ไปในสถานที่เหล่านั้นมีความนิยมชมชอบขึ้นกำหนดว่าสิ่งนั้นสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็อุปทานก็เกิดขึ้น ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นใจมันก็ถูกบงังคับให้สายไปดูในสถานที่ต่างๆรูปต่างๆรสต่างๆกลิ่นต่างๆสัมผัสต่างๆจนบางครั้งกระแสของตัณหาแกไหลไม่ยอมหยุดเราก็ถูกผลักใสไปสู่กระแสของตัณหาจนเสียการทรงตัวเกิดอยากได้จนเงินทองไม่มีก็ขอผ่อนชาระไปก่อนเพราะงั้นพวกนี้ก็มีวิธีการฉลาด จึงให้ชำระเป็นรูปเงินดาวหรือเงินพอรตไปก่อนจำนวนหนึ่งต่อไปก็ผ่อนช้ายอย่างนั้นอย่างนี้เราเองได้สนองตอบความต้องการของเราด้วยเขาเองก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นที่จริงก็มากกว่าเดิมเลยทั้งไปแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นหนี้มันก็กลายเป็นวงจรที่กลับมาทับถมชีวิตของบุคคลคนนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการกระทาไปตา ม, ตามอำนาจของวิจารณาวาทาน กรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นจากวิชารนาอุปาทานแต่ตัวเร่งตัวกระตุ้นมันก็คืออาหารประเภทนี้ได้แก่วิญญาณอาหารแต่แม้แต่อาหารที่ผ่านมาทางปากคือเข้าไปทางปากจะเป็นพูดถึงดื่มชิมพูดลิ้มพูดกินพูดรับประทานอะไรก็ตามที่ผ่านเข้าไปทางช่องปากพวกเหล่านั้นที่จริงก็คือวัตถุกามอันประกอบด้วยรูป ประกอบด้วยสีประกอบด้วยกลิ่นประกอบด้วยรสประกอบด้วยสัมผัสรูปก็สีก็เป็นอันเดียวกันบางทีไม่รู้จะทำอะไรแถมเสียงเข้าไปด้วยเคี้ยวดังกรอบกรอเคี้ยวดังจับจับนะรู้สึกอระเร็ระ อ, อยรู้สึกสนุกแต่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมันเป็นอาหารตาหูจมูกลิ้นกายใจเฉยๆมันไม่ใช่เป็นอาหารตัวกายจริงๆ แต่โลกเรานั้นก็คือกามลกมาโลกมาโลกเหล่านี้ทรงเรียกว่ากาลมาคุณปรจจุจิตเรามันอยู่ในกามลมาวงจรือท่องเที่ยวอยู่ในกาลผสมน้ำผสมเนื้อกันพอดีคืออยู่ในวงจรเดียวกันใจก็จะถูกบังคับให้หมุนและจะหมุนไปเรื่อย เ, รอยเพราะฉะนั้นท่านสาธาชนทั้งหลายลองสังเกตว่าวัตถุบางอย่างหรืออาหารบางอย่างหรืออะไรก็ตามบางอย่าง ที่มันเริ่มต้นเข้าสู่กระแสจิตของเราที่เป็นอวิชามาในตอนต้นความอยากครั้งแรกมันไม่มากเท่าไหร่หรอกเพราะการตัดสินใจการปรงใจลงไปยังไม่ได้ชัดเจนแต่เมื่อมีการลิ้มมีการชิมมีการดูมีการจับต้องมีการสุดดมขึ้นมาในความชอบไม่ชอบนั้นถูกสะสมขึ้นมาเรื่รอยๆตามกระบวนการของปัญหาที่ ส่วนจำแนกแสดงไว้โดยทั่วไปนั้นมีสามช่วงช่วงแรกก็ขอให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปคล้ายๆกับชิมอาหารชนิดเดียวกันแต่ ว, ว่าสีมันต่างกันโดอรูปร่างมันต่างกันเราการจะจิมสีนี้เออสีนี้เป็นยังไงบ้างก็ไปชิมอีกสีหนึ่งเออขนาดนี้เป็นยังไงขนาดใหญ่เป็นยังไงขนาดเล็กเป็นยังไงขนาดกลางเป็นยังไงเราก็ชิมขนาด ต้องการที่รถแต่จริงๆแล้วเกิดไปติดในรูปเมื่อก็อให้เกิดเป็นผลโนภะวิกาคือก็เกิดความมีความเป็นเรื่อยไปกรรมก็เป็นอกุศลเพราะเป็นแรงผลักดันของตัณหาเป็นการบริโภคด้วยอำนาจของตัณหาหรือแม้แต่ในส่วนอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนี้น และจะมีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินชื่นชมสนุกสนานเท่กับสิ่งเ่านั้นบางครั้งบางคราวดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนสามารถนั่งกินข้าวอยู่ได้ทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะอะไรเพราะในที่นั้นจะมีแต่กามคุณมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสบำรุงบำรเรจนอยู่แล้วก็เป็นอาหารก็นาผลมา ก็ให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อไปจิตจะกำนัดเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์เหล่านั้นและจะเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะบางครั้งไม่ใช่สองชั่วโมงแต่อาจจะสาสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแต่ว่าสิ่งที่นํามาเปลี่ยนมาปรนปรือมาบําเรอบํารุงบําเรอบําเรอจิตใจนั้นคุณสังเกตว่ามันจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นธัมผัติอาจจะเปลี่ยน เช่ว่าเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเสียงเพลงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนตัวคนมาสนทนาเป็นต้นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่จะอยู่ในแวดวงของพวกวิญญาณอาหารได้แก่อาหารคือวิญญาต์ซึ่งบุคคลรับรู้มาทางประสาทสัมผัสได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สูดดมด้วยจมูกได้ลิ้มด้วยลิ้นได้จับจ้องด้วยกายมันก็หมุนบนก็อยู่อย่างนี้นเพราะอาหารที่จริงแลว้วเขาเป็นปัญญาต่ประทงัง คือธรรมะที่ทรงสอนให้กำหนดรู้มันเป็นสภาวธรรมของมันอย่างนั้นเองนี่เกิดขึ้นมีตั้งอยู่มีดับไปตามเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันทำไมจึงเป็นปัญญาต่ประธรรมเพราะเขาอยู่ในกลุ่มของรูปรูปนั่นก็คือสังขารที่มีการปรุงแต่งให้บังเกิดขึ้นออกมาในลักษณะต่างๆงมันก็ไม่มีอะไรประกอบดินน้าลงไฟอากาศ เพียงแต่ท่านย่อยออกมาจากรูปอีกทีหนึ่งจากร่างกายอีกทีหนึ่งแต่นั้นเด้งเพราะอะไรเพราระรูปเสียงกลิ่นรสโปรตีภาพมันกม็มีอะไรก็อยู่ในตัวคนตามหูจมูกลิ้นกายใจมันก็อยู่ในตัวค น, น, นวเพราะเรานี้ที่จริงแล้วก็คือรูปประคันคือกองแข่งรูปนั่นเองพนเมื่อกลายเป็นกองแข่งรูปพระเจ้าก็ทรงสอนกรรมาฐานจากจุดนี้แต่ก็มีการมีสอนหลายระดับถึนสังเกตว่า เพราะการที่โลกเราเป็นโลกแห่งสัมผัสจะแก้ปัญหาหรือจะหมดปัญหามันก็อยู่กันตรงนี้อยู่กันตรงสัมผัสคือการเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดลดมดีดในจมูกดมรูดดดลิ้นถูกต้องเย็นร้นนอนแข็งด้วยกายเนี่ยปัญหาว่ารู้หรือไม่รู้ท่านตั้งหลายจะสั ง, สงเกตได้ว่ากิเลสจะไม่เกิดเพราะไม่รู้กับเพราะรู้ ที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรตันหายังไม่เกิดแต่ว่าการไม่เกิดในลักษณะนี้คล้ายๆกับไปอัดแก๊สเอาไว้มันรอเวลาที่จะระเบิดขอเพียงแต่ถึงช่วงหนึ่งได้รับทราบคุณค่าประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นกระบวนการของกิเลสมก็จมุนเป็นวิชาตนาวประธานกรมหารวิชาตนาวประธานกรมหารมันก็หมุนกันอยู่อย่างเงี้ยในขณะในแต่ละขณะของชีวิตจะทำไง อีกอย่างหนึ่งเพราะรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงใช้กับว่าเอวเมตังยถาภูตังสมปันดายะตัดตัดตดปกค น, นี้ยันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงได้อย่างนี้ซึ่งข้อ น, นี้จะสังเกตได้ว่าแม้ตัวท่านสาธุชนทั้งหลายเองก็มีดับตันหาในอารมณ์ทั้งหลายไปได้มาก ถ้าเราดับไม่ได้เลยป่านนี้ก็เป็นโรคประสาทกันหมดแล้วแต่ที่เราดับไปได้นั้นเราดับไปได้เป็นกันมากเพราะไม่รู้ฉันขอนินทาเรารับหลังเราไม่รู้เราไม่โกรธนี่แสดงว่ากิเลสต่า น, นั้นไม่เกิดเพราะเราไม่รู้ทีนี้เพราะรู้ตามความจริงพอเห็นปับเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นสมมติว่าเห็นอาหารบางอย่าง ความอยากไม่เกิดพอรู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นว่าอาหารนั้นไม่ถูกกับเราเป็นโทษกับเราหรือว่าอาหารนั้นไม่สะอาดสงสัยว่าจะมีเชื้อโรคหรือสกปรกอะไรอยู่ก็แล้วแตนะ่หรือจะรู้อะไรก็ตามตระหนัไม่เกิดตรงนั้นตนหรหนไม่เกิดเพราะอะไรเพราะปัญญาเกิดรู้เท่าทันตามความจริงหรือบางทีก็อิ่มแล้ว อิ่มแล้วแล้วอาหารเองก็ไม่น่ารับประทานอะไรก็ทําให้จิตใจของเราไม่รู้อํานาจแก่ความอยากในขนาดนั้นเรียนสิ่งของต่างๆที่วางขายเกลื่อนตลาดอ้เราตั้งเกตว่าตัณหาไม่ได้เกิดเสมอไปหรือแม้แต่การโฆษณาทางสื่อต่างๆทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางหนังสือพิมพ์ทางแผ่นกัดอาวต่างๆที่ปีอยู่เกลื่อนในที่ต่างๆ เราไม่ได้เกิดปัญหาบที่ก็ไม่เคยสนใจดูหรือทาไปบ่มโกลศาสนาเรื่องอะไรนั้นเพราะอะไรเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงโดยควบคุมความคิดจิตใจของตัวเองได้เพราะถ้าหากว่าคนตอบสนองความต้องการของตัวเองไปทุกเรื่องแม้จะสามารถตอบสนองได้ก็ตามปัญหาคงจะเกิดขึ้นทับทวีทีเดียวอย่างเช่น อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าความปรารถนาของคนไม่สามารถจะตอบสนองให้เต็มได้แม้ฝนจะตกลงมาเป็นกระหาปะนะัญะหรือพูดง่ายๆเป็นไทยๆว่าแม้เราจะทิฏฐานให้ฝนลงมาเป็นกระหาปะนะัญะแล้วกองอยู่ที่หน้าบ้านเรามากมายไกลๆเราก็จึงจะไม่เต็มทําไมจะไม่เต็มเพราะนั้นคือปริมาณ ปริมาณมันก็มีปริมาณเข้ามาแข่งเช่นสมมติว่าฝนก็เราตกลงมาทักล้านประเดิมก็มาล้านกว่าเราก็อยากจะแข่งพอเป็นกองจะประกฏจะแข่งใหญ่แข่งสูงกันมันจะมีการแข่งกันไปเรื่อยๆด้วยอะไรด้วยแรงผักดันของตานาในที่สุดมันก็ไม่เต็มกันสักจีนึงด้า น, นการอาหารนั้นบึงสังเกตว่ามันก็เหมือนกับอาหารทั้งหลาย ก็มีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์อ่ารบางอย่างไม่มีประโยชน์แต่เพราะไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงไม่มีปัญญาคุ้มครองรักษาใจบุคคลก็อาจจะรับประทานอาหารที่เป็นโทษแก่ร่างกายเข้าไปอ่ารบางอย่างไม่มีประโยชน์นั่นแหละแต่เพราะปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงคืองดเว้นงดเว้นในส่วนที่เข้ามาทางปาก งดเว้นในส่วนที่จะดูจะฟังจะสุดดมจะลิ้มจะจับต้องหรือแม้จะดูจะฟังจะสุดดมจะลิ้มจะจับต้องไปแล้วก็ตามแต่รู้ทันธรรความเป็นจริงตั้งถามในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่เกิดเหมือนเห็นตุ๊กตาวางขายเกินไปหมดเราก็ไม่เกิคเเเดกวกความอยากรถน้อยๆเรือน้อยๆของเล่นต่างๆของเด็กวางเกินไปความอยากมันก็ไม่เกิด เล่นเด็กเล่นสนุกสนานกันเราก็ไม่อยากจะไปเล่นอย่างเด็กนั้นแสดงว่าตันหามันก็ไม่เกิดในอารมณ์หล่านั้นทําไมจึงไม่เกิดเพราะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิดได้สมหรับบางกรณีแต่นั้นไม่ใช่ไม่เกิดไปทุกกรณีเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วอภิชาตนาวปาทานนั้นยังมีอยู่พร้อมที่จะเป็นกรรมพร้อมที่จะเปิดกรรมเกิดขึ้นเพียงใจกําหนดอารมณ์เหล่านั้นด้วยอํานาจตันหาวปาทา น, น, น ก็มันก็เกิดขึ้นตามแรงปรักดันของตานาตอนนั้นการรอดพ้นจากอำนาจของกิเลสอำนาจของอา ร, รมณ์ในลักษณะนั้นสํานวนบาลีดันจายคําว่ากุปตธรรมคือมันกําเริบได้มันเปลี่ยนแปลงได้คล้ายๆกับเราอาจจะไม่เป็นโรคเพราะเหตุนี้แต่อาจจะเป็นโรคเพราะเหตุอื่นเพียงแต่ว่าสําหรับโรคนี้เรามีภูมิต้านทานมากพอก็ไม่เป็นไร ทั้งีราไม่ได้หมายความว่าเราสมบูรณ์แล้วเราจะมีภูมิต้านทานโรคสารพัดโรคไม่ใช่อย่างนั้นคือเจอบางโรคเราก็ต้องเก็บไข้ได้ป่วยไปยเพราะริดแรงของชรโรคเหล่านั้นจิตใจของบุคคลก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งให้ท่านสังเกตว่าเราเองก็เราเองก็ได้นะทำได้ระดับหนึ่ง เช่อสมมตรวเศษอาหารที่เราเททิ้งนะเรารู้ตามความเป็นจริงว่าของที่ไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าสุนัขยังรับประทานกันไปเพราะสุนัขนั้นไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงมันก็กลายเป็นอาหารที่แก่ได้หรือว่าคนบางคนอาหารที่เราทิ้งแล้วเขาก็อาจจะไปกินได้มันแสดงให้เห็นว่าเรื่องบางเรื่องที่เราทิ้งไม่มีความอะไรไม่มีความใหญ่ดีไม่มีคิดที่จะย้อนกลับมาโหนกลับมา แต่ก็มีคนบางพวกยังต้องการสิ่งเหล่านั้นยังอยากได้สิ่งเหล่านั้นอยู่เพราะงั้นจิตใจที่มีความรู้แจ้งตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆสําหรับสามัญชนเราเนี่มีเป็นอันมากที่เราเสงบตันหาไว้ได้สงบอุปาทานไว้ได้ แต่ก็มีเป็นอันมากเป็นการที่เกิดตัณหาอุปาทานต่นั้นกระบวนการเหล่านี้ตัวการใหญ่จึงคงอยู่ที่อวิชชาตาวิชาาวชายังอยู่ตัณหาก็ต้องอยู่ตัณหา อ, อยู่อุปาทานก็ต้องอยู่อุปาทานอยู่กรรมก็ต้องอยู่เมื่อยังมีพวกเหล่านี้อยู่การเรียนรู้วยตาเป็นต้นจะต้องเกิดได้ทั้งสองทางคือทางกิเลสก็อาจจะเกิดได้ ทางธรรมะก็เกิดได้เพราะชีวิตนั้นยังไม่มั่นคงยังไม่แน่ที่ท่นใช้คุณลักษณะของประหารไว้ลักษณะหนึ่งท่านว่าตาจีคือคงที่เตอสามันชนเรายังไม่คงที่ยังไม่มั่นคงอย่างนั้นดังนั้นท่านจึงสอนให้รู้เท่าทันในอาหารที่รับประทานเข้าไปรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัส โดยหลีกเว้นคือไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นเถอบ้างโดยการทำเฉยๆเสียบ้างโดยการไม่ไม่ใส่ใจเสียบ้างโดยการเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเป็นต้นเสียบ้างซึ เ, งเป็นวิธีการต่างๆเป็นมากที่ส่งสอนไว้ในกรณีที่อารมณ์เหล่านั้นจะเป็นข้าศึกต่อจิตใจ แต่ถ้าอารมณ์ที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อจิตใจทำนองอากาศที่บริสุทธิ์ก็พร้อมที่จะให้สูดหายใจเข้าไปลึกๆเพื่อได้รับประโยชน์จากอากาศเหล่านั้นอารมณ์ที่เสริมสร้างพัฒนาจิตใจลดละตะนาวปาทานเพื่อทำกรรมให้เป็นกุศลมากยิ่งขึ้นเป็นอารมณ์ที่ทรงสอนให้บุคคลเสพคุ้มเกี่ยวข้องพยายามแสวงหาเพิ่มปูนขึ้นมาเพื่อพัฒนา มันก็ฐานะเป็นอาหารแต่นำประโยชน์ในทางสร้างสารรค์พัฒนาให้เกิดขึ้นภายในชีวิตจิตใจของตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสึกต่อ